สมัยหนึ่งไปพูดไปสอนตามที่เชียงใหม่ไปดูสวนหลังใหจญจ่ชาวบานเขาถือภาพก็ไม่มีเครื่อ ง, ล, งละไรแบบนั้นแล้วก็มีโยมหลายคนที่ที่ว่านี่คือของจริงเขาบอกว่า การใช้เครื่องเขายายเสียงเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบมันไม่สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแม้การเสียงที่ออกมาดังๆไม่เป็นธรรมชาติทําให้ไม่ใ่ตัวเขาก็ไม่สู่ธรรมชาติได้ถูกบังคับในเสียงอะไรต่างๆเสียงก็ไม่ใช่เสียงธรรมชาติ เสียงเสียงที่จังทุงที่ฝุงแต่งไปเที่ยวนไปเอาบอ่อนี่คือของจริงนี่คือของจริงย่าญโคนนั่นเขาเป็นพนัรกราจังหวัดแล้วก็เสียง ที่เข้ามาปลูกบ้านอยู่ในป่าเขากชอบป่าชอบธรรมชาติได้ยินไหมเนี่ยได้ยินแต่บ้านเขาก็ยังงงใบตองใอ้ป่ามีเห็ดมีอะไรต่าง ในราว่านจะขอเจ็บเหนื้อจะขอเจ็บนักขาป้อมขอเจ็บสมหอขอเจ็บผักล้กชายจบถึงสูงทังนั้นมาขอสร้างบ้านให้พ่อพอก็ไม่ยอมให้ลูกชายสร้างให้เวลาลูกชายพาเพื่อนมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมบ้านก็นั่งอยู่ได้ต้มไม้และสังขาร นี่คือธรรมชาติอำเภอสันป่าตองเขาก็ออกสันป่าตองเป็นเกิักษณ์เอาไปตองมงเอาไปตองสองฝาแน้ารถจักรยานเขาตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนก็ทํทำงานเขาจอดไว้ถ้าถุนบ้านยังไม่อยู่ ยังใช่เราอยู่ดูท่าทางเจ็ดสิบแปดสิบปีแข็งแรงอันนี้คือธรรมชาติที่มันช่วยชีวิตเราได้เราอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็มาอยู่ที่นี่เรารู้จึกสู่ธรรมชาติได้ดีความหลันก็ไม่ค่อยจะมีใอ้เจ้าเติมขึ้นมาที่สามวัดเลย ร้อยสี่สิบหกสิบสองห้าสิบสองวแสดงว่าปกติยังไม่ได้จิ้นยาถ้าจิ้นยาแล้วก็ไม่ถึง 20, รง้อยยี่สิบสามสิบแล้วเปนธรรมชาติช้วยเรากานอนโอบโกอดตารรมชาติ รับธรรมชาติอิสระนู่นคุสนับสนุนเหรเราได้อิสลามภาพจากภายนอกไม่มีอะไรบังครับยิ่งเราไม่ธรรมชาติภายในยีน้สตรีิลูกตุ่มไม่ชูธรรมชาติแต่ยิ่งจะใกล้คิดกับพระพุติเจ้ามากเท่านั้น ยามกรอบโอ้ยอาทำมกรอบกับธรรมชาตินะดูดดื่มธรรมชาติได้ได้อย่าไปอยู่ที่อื่นแต่ธรรมชาติหายใจในธรรมชาติเห็นอะไรเป็นนิดเห็นต้นไม้ใหญ่ๆก็ถือว่าปูหย้าตายหญ่เห็นต้นที่ ล้องมาหน่อยก็ถือว่ามาลุงเอาอาเห็นต้นไม้พ่อเป็นพ่อก็ถือว่าเป็นพ่อเราเห็นต้นไม้พอเป็นเพื่อนก็เป็นพอเป็นเพื่อนกันเห็นต้นไม้พอจะเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลนและมีน้ําใจเห็นเขาเหมือนกับพวกกันรู้เรื่องช่วยกันได้โขกเกาะกันได้แบบนี้เป็นเพื่อนเส้นกันและกันได้ แะ้วก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมยิ่งสิติละตย์ย่อมวชัญญายิ่งเป็นลูกผู้ใหญ่ดึงลมาชู่ปกติธรรมชาติภายในเมื่อสู่ธรรมชาติภายในมากค่้ก็มันมีหลายปุงเฉิมที่สิเทียนไป ถ้ไม่มีสติเป็นธรรมชาติซึ่งแปลร่อมภายในตอนก็ดึงไปหูก็ดึงไปจมูกด้วยกายใจก็ดึงไปหลายๆอย่างก็ขาดแคลนธรรชาติภายในก็เป็นสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาอาศัยหลักกรรมฐานอาศัยหลักกรรมฐานสาธุเจ้ารงฆ์สอสนสอนอวย อาศัยธรรมชาติลหลายๆส่วนมาทุ่งเทศารวพร่อลู้จิกตัวสติธรรมสัญญาเอาน้ํเคลื่อาานไหวความคิดทางใจต่อหูจมูกดว้วยให้ดึงลงมารวมกับธรรมชาติอันไหนมีพลังอันเหมือนงอกงามได้ไหวเดี๋ยวให้มันแบ่ง ใจคนละอันตาตาถูกแบงก็มีาตาตาถ้าไม่เดินมาให้เป็นความรู้สึกสวมกับแบนไปวิธีที่เดินมาคือกรรมฐานนี่ถ้าเราไม่สติไปในกายมันก็จะเดินมาละลายหยาพร้อมกับรัความชั่วทำความดีไปในตัวจิดสมบูรณ์แบบ ที่เป็นธรรมชาติเพรามาสู่ความปกติของชีวิตเพียงแค่ยอมอย่าให้สุนเสียเวลาเรื่องนี้กับธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในอันมันคุ้น เ, น ค, เคยก็ไม่มีธรรมชาติภายในคุ้นเคยแล้วก็ธรรมชาติภายนอกก็ไม่เตมนมอย ช่วยไม่ค่ได้ดีไม่ดีก็งูไปเลยอยู่ป่าก็เพราะงูอยู่ปา่ปาเพราะเกียดค้านอยู่ป่าเพราะไม่มีปัญญาก็ไปแบบนั้นเลยเราอยู่ป่าบปัญชาตินี่มันได้ประโยชน์แต่ธรรมชาติหลายจากางก็เสียไปหมดแล้วเยงสัตด์สรัาซิ่ ไม่ค่อยมีทุกวันนี่แต่ก่อนมีนะเอ็มไปหมดเสียงจัดล่องกลางคืนบานทีก็ยังเห็นมา ม, มาเล่นด้วยกับเราด้ว ย, ห, ยนดดนหนูสียงพวกเน้นพวกดิ้นพวกเนี้ยหนาเกิงเกินพวกเห็นพวกจะหมดบางทีก็ไม่กินไม่เงลอง ก่อนานอนอยู more, yeah. ่เดีวนอนซักเดร้องหกองก่อยก้อยก้อยกอยกอยแทมันเห็นอุ้มบางทีก็ร้องแล้งแล้วเนี่ยพอแจ้งแล้วแจ้งแล้วเนี่ยพอก็คนฟังหลอกหลอกเหมืนคนมาเรียกทจริงมันม่ใช แล้วก็มาล่องจากเราใกล้ๆจึนยๆแล้วก็สังเกตดูมันจะอะไรจะมีมีนแต่ยิ้นหนาเถอะนั่นแต่ตัวใหญ่นั้นว่าอะไรหล่ะมันก็มาเป็นเพื่นนะทีนี้ก็นิ่มมาเป็นเพื่อนนิ่มลิ่มภาษาอิสานว่าลิาศาศาาล่มภาษาจ้าวว่านิ่มไม่ใช่ น, นิ่มนะนิ่ม ชื่อนิ่มไม่ถูกต้องเนามันไม่ชื่อนิ่มนะเจ็บมันแข็งเหมือนเหล็กนะลิ้นเนี่ยนอนหันหัวเฉยก็ไ่มันเอาหางมาทุ่งหัวเราแรกนึกว่างูมากระหงอนฝ่ายหลังบางเางเดมาเฉยๆเราก็หัวเราก็ชุนก็ฝ่าย แต่มันมีมุ้งระหว่าเอาขอนเอาถอนไม้มามันมันติดกับกอไผ่มันไม่ออกกันไม่ได้หางกันไม่ได้ได้มันมบี้ยนึกว่า ง, งูมากัดขอนั่งดูล้กเพื่อนนั่งแต่ขอนก็นอนอยู่มันทุ่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนีอ้าวอะไรมากัดข้อนี่ ยังไม่ฉายไมันชอบฉายสฟปวฟดปาตปวดฟันดูสังเกต ด, ดูก่อนเมันคืออะไรลุกขึ้นดูก็เห็นหัวดำๆแต่มันเลยหางมานึกว่าคองนีมาดม า, ดมมากัดเรากัดําหัวดูก็ไม่เบลไม่มีอะไรเจ็บปวดพอเด็กก็ มันเดไม่เอไว้ถูกเราเรานั่งอยู่แล้วเ้าก็เต้นขึ้นไปเวลามันเต้นขึ้นใบไผ่โอ้ยจึงรู่เจอว่าเป็นเป็นลิ้นงานที่แบบเต้นใบไผ่แล้วก็ก็ลงมาก็ลงมาอีกก็ราลงมาหันก้นลงมาเอาหางมาเดใสอเราแล้วก็เปิดมุ่งออกจับผางในมุ่ง จับถามมันได้มันขดเข้าไปมันก็ขดหางก็เดินมาอยู่เลยเปิดมุ้งออกจับมันมาวางไว้เดานั่งกล้ยทำวัดแล้วไม่ไม่เห็นมันเลื่อยเดามันจะได้จะตกมันไ้จะขอดอยู่ออล่างหน้าแสงการเิด็จไปทำวัดเอาไปทํำวัดก็อุ้มไปด้วยวางไว้บันไดยอย่างนี้ เลากายสมัยก่อนก็บันไดขึ้นเอาถุนก็ว่าต่างคนมาทำวัดบางนก็เห็นว่าเป็นของอะไรบาอยู่กลมๆเหมืนกับอะไรก็หม่สนใจทำวัดเฉยทำวัมาไม่ผลเลื่อยออกทานมาลูกหวนคนโตแตกไปเลยตัวน้อยตัวอะไรแล้วก็ทาวัดเฉย ตอนก็วายๆเราไม่สนใจพอเราลูวอมันเป็นลิ้นที่เราจับมาบางไว้มันหยอกตอนนั้นทำมชาท่าสมัยก่อนนะอันนี้ก็เงียบไปแล้วเสือดอจอดตังประเพือนหนักกินคืนจอดตางเพื่อนหนักกินกลางวันแ้วก่อนจัดจดปอพวก ส้างโวกหว่งโวกหมูนี่ยหาจืดตลางวันแต่คนไม่มากพอคนมากขึ้นก็หาจืดคืนหัวชาันนี้หมดแล้วตอนรรอ น, อนั้นก็ไม่ค่อยสนุกเหมือนเมื่อก่อน้เ่ออากาศเย็นเย็นเงียบเงียบนอนเราจืง ก็ยอมให้เนเกื้ก้าวธรรมชาติฝ่ายนอกฝายในใหุ้ดทอาัธรรมชาติฝาโนกมาฝึกภาในคิดหลายมากบอกตัวเองว่าดูต้นไม้ดืนอยู่นี่ชั่วนาตาปีเขาไม่เดือดร้อนะไรแมาเขดนอยู่นี่ฝนหมาก็ยืนอยู่นี่มาสอนตัวเราอนหินบาง ถ้ากิเราเนี่ยเกิดเป็นศาร์ประเสริฐต้องประเสริฐต้องดีกว่าต้นไม้ก็เห็นนี่พัฒน า, าได้อะไรไม่ดีเราลู่ได้อะไรดีเราลู่ได้ถนัดตัวเองตามวิชากรรมฐานเรียนกองเติร์ดขอเข่าตะกอนตู้ฉันเข้าเหยียอสันออก รู้ฉันเข้าเหยียดฉันออกรู้จักตัวเหมือนเราไปเรือนนังสืออาดูกระดานมึอหัดเขียนเชนเข้าเชนเข้าก็เขียนได้รู้จักจาได้ติดกันได้อาตาคนมันพัฒนาได้ตัวหนังสือมาเป็นทำพูดมาเป็นภาษาเขียนสื่อสารกันได้รู้ความหมาย รูเรื่องลู้หลอมบอกสุดบอกถูกหลอมบอกผลชีวิตของเรานี่ก็เช่นเดียวกันออกไปเมื่อเปิดดูแลก็เหมือนกับเรียนหนังสือใช้นอนุบาลให้ประทุนอาศัยชวนมากอบต้องดูต้องสัมผัสดูเฉยเฉยไม่สัมผัสก็ทําไม่เป็น ขอการเชนอะไรวันแรกกรรมวิจารณ์เาาสวนพอจะเช่นอวันขอใเช่นไปเช่นนามนกับคลองเกินคลองเกินเสวนเป็นเสนยนสวยเสยนงามลูเสวนถูกด้วยการฝึกตสนสอนตนนิชากรรมฐานก็เหมือนกันมีสติภาในกายอาศาัยการเคลื่อนไหวตรงันหลงกัาลู่ พอเหมืนเคยรู้อยู่แล้วมันก็ต้องเห็นตัวที่ไม่ใช่ความรู้เกิดขึ้นกระจกระจายก็้ใช่ความรู้ไปเฉลยุดกเห็นมันหลงเห็นมันหลงนี่ได้แล้วเห็นหลงไปไม่หลงนี่แสดว่าือนชั้นนอกจากนุบานได้แล้วเห็นมัธยมไปแล้ว เอิมันหลงไม่เป็นผู้หลงต้นจากความหลงอาจจะเป็นชัดอุดมไปก็ได้สํานานมากขึ้นสํานานมากขึ้นเลยจบบาเรื่องนี้จบเรื่องที่เคยเป็นมันก็จบได้มีแต่ลู่แต่ลู่ลไปมันก็มีปัญญามีแต่ปรรัญญาไม่ต้องถืออะไรแต่ทำมาหาจีวิตมันก็มีปัญญา ทำงานในปากกาเล่มเดียวปักกระเป๋าเชื่อไปหากินได้แต่คนไม่มีปัญญาก็เอาใส่รถไปไมเรื่อยมีค้นมีอะไรต่างๆผลไปที่งจะทำงานได้ ผลมีปัญญาทางปริญญาทางจิตปัญญาเ น, นี่ยมันไม่มีอะไรมันก็อยู่ที่นี่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องพลุนพลังภาละหนักไม่ต้องไปคิดไปอ่านเอาเหตุผลเขียนทีมั น, ม, น, นมันเต้นแล้วมันเต้นแล้วมันมาอะไรก็เต้นแล้วมันก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว ในโลกนี้ในกายใน ใ, ใจรู้ทั้งหมดไม่มีคาําว่าทําไมอะไรไม่ได้ไดแต่หัวเลาะร้องให้เพรเรื่องที่เกิดกับากับใจไ่ได้แต่เป็นสูขเป็นทุกข์เพรเรื่องที่เกิดกับตากับใจไม่ได้เกิดปัญหาชีวิต เ, เรื่องที่เกิดกับตากับใจเพราะมันรู้แล้วมาเก่าว่าเลยมีปัญหาเพราเรื่องทุกข์ื่องโกรธโลกหลง หังการเรียนจบก็เป็นอย่างนี้หลังกรณีปัญญาลู่แล้วลู่แล้วปัญญาพุทธะนั่นเองจากนี้คือลู่แล้วเรียนจากผู้ลู่ได้ลู่แล้วหวนงปัญญาก็ทันญ่อนาอนญะสีอนยะสอลู่แล้วนะลู่แล้วนะพระเจ้า ทุกขันเรามาอันยาสีพุทธะโพคอนตัญโวอันยาสีพุทธะโพคนตัโวรู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนี่อะไรเกิดกับการเกิดรู้แล้วโอ้นแสงสว่างแจ้งฟังเก็บคนตายก็รู้แล้วตัวรู้วาวาใจรู้แล้วเนี่ยแล้วไปแล้วไม่ได้มีการม่นไม่มีมานมีภัยไร วันคนเรียนจบปริญญาดร็อปเตอร์ชำนาญในความว่ารู้แล้วที่มันเกิดกับากับใจนี่ไม่มีอันอื่นเกิดขึ้นมาอันเรื่องเดียวเท่านั้นแม้ว่าสิเลตปัจนหนาตาหน่อยแปดแล้วก็มีเท่านี้คือรู้แล้วเท่านี้แล้จถึงกเรียนนั้นเรื่องหนึ่งไม่ใช่แม่จะเรียนไม่ใช่แต่การเรียนจากผู้รู้มันอยู่ในตัวเราเอง ผู้ลูม่มาอยู่ที่ไหนให้เหมือนเดียรหนังสือผู้ลู้ต้องเป็นครูยืนหน้ากระ ด, ดานนเขียนเราต้องดูกระ ด, ดานเป็นคพูดให้ฟังแต่ว่าผู้ลู่ที่เป็นพุธธทธะนีะอยู่ในตัวเราประกอบขึ้นมาได้ถ้าไม่ประกอบก็ไม่มีประกอบก็คือกรรมฐานวิชาประกอบถ้าเกิดผู้ลู่ขึ้นมาเลยชีวิตเรา การตัวประกอบกลมคือการประกอบขึ้นมาฐานที่ที่ตั้ ง, งการกระทําที่กลมมาจับจะแน่จะเย็นจะเล็กคู้แขงเข้าแยกฉขนออกอาศัยกายอาศัยนิมิตอาศัยกายเป็นวัตถุประกอบเป็นนิมิตอำมาประกอบขึ้นมาถ้ามันเป็นแล้วก็วต้องอาศัยมันกายนี่อันมีความรู้แล้วอาศัยที่ อาศัยกายอาศจิตใจที่เป็นจะรูปเป็นนามให้เป็นที่ตั้งความรู้ที่เลือกนะแต่กวอมมันไม่หยุดตั้งความรู้ไปในตั้งที่กาที่ใจมันหละเป็นงานของเราพร้อมหลงตั้งไว้ก็ได้ใ่หรือเปล่าอีิบสามสิบปีใช่หรือเม า, 4, 30, 4. ม, ามันก็มีอะไรหลายหลาอย่างสองชนป่าเทือน ผิดความรู้ความหลงจิตต์ตัณหาความรักความทางความพอใจไม่พอใจเอาจะอยู่ก่อนความรู้จิกตั ว, าาาวา ม, มากเอาจึงความหลงกับจอมากกว่าความรู้ด้วยเพราะไม่เคยฝึกพอมาฝึกก็ได้จบการได้บทเรียนจากสี่เหล่านี้ ว่าที่ทุกข์จะแท่าไหนทำไมเป็นพุทธเจ้าได้แต่ถ้าไมาฝึกทุกข์ก็เป็นทุกข์หลงก็เป็นหลงกัวก็เป็นโกรกถ้ฝึกแล้วหลงก็เป็นพุทธะลู้ขึ้นมาเลยก็เป็นลู้ขึ้นมามนก็ได้ประโยชน์จากสินานี้อย่าไปถือว่ามีปัญหาให้เป็นสูตรด้วยจศึกษา ได้ศึกษาอาะไรก็ตามเป็นหลักสูตรของการรู้ทั้งนั้นการจู่การจิรนดาหารการจินเป็นสูตรสูตรความรู้ออกมาเป็นหลักสูตรให้เกิดความรู้ควงมรู้ที่เป็นพุทธานี่มันเป็นสูตรทั้งหมดในการนในใจเราเนี่เมื่อได้ไปเรียนทีน่ไหน หลาอย่างเป็นหลักสูตรแห่งความรู้อ่านการจีนที่วัดสายเชื่อนุ่งห่มการไตกันมาที่เด็ตระหนักาคาโกรธโลคหลงเป็นหลักสูตรแห่งความรู้จะให้เป็นอื่นตายผู้ศึกษาต้องทำแบบนี้นี่เราศึกษาอยู่เคสอนอ่ะนี่นักปฏิบัติถาม วันนี้หนูมันเป็นไรล้ะมันพุ่งซ่อนมากที่สุดออไปเดือดร้อนหลายหรอนั่นแหละคู่แข่งอ๋อไม่มีความฟุ่งซ่อนกับไม่มีความจะงบนั่นแหละไม่ใช่ตัวเราดอกนั่นแหละไม่ใช่หนูเป็นผู้พุ่งซ่อนนั่นแหละนั่นเะนาการเกิดกับจิตใจคิดมากนั่นแหละนั่นแหละคู่ซุกคู่ซ้อมนั่นแหละ E, บดเร e. so e. a a ียนที a a ่ดีประสบการณ์ที่ดีแต่มันเพ่งสั้นลงไปจะได้รู้มันเอามาสงบก็จะได้รู้มันหวันชูก็จะได้รู้มันหวานทุกก็จะด้รู้มันเป็นสูตรทั้งหมดตอนฝึกคู่รู้ภาวะที่รู้ให้เกิดขึ้นมาเนี่ยม่นไม่ยากอะไรมันได้ไปเอาอนเงินมาแก่หลังเก็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคคนละเชื่ออนแล้วยาคนละขนาัน แต่ว่าศึกษาเรื่องพุทธะเนี่ยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนไม่แต่รู้ผู้รู้ทั้งนั้นอะที่อยู่ในพวกอยู่ในตัวเราเนี่ยพย า, ายามใช้ชีวิตให้มันสอดท้องกับธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยนี่แล้วก็พยายามเป็เส้นเป็นมีตรกันให้สูธรรมชาติอาไต่างตาที่เกิดขึ้นมา ลงที่ตรงนี้มาลงที่ตรงนี้ลงที่พระวจุดู่ให้หวางไว้ให้ปัก ไ, ไว้ให้หมันไว้ปลูกไว้ว่าปลูกพืชโพ ธ, โธิคือพระวจุดู่นี่ปลูกลงไปธรรมชาติโลูกลงไปธรรมชาตินอกตัวในตัวโพธิเป็นหน่อนต้นตาปลูกลงไปปลูกลงไป แม่ก็จะต้องงอแงามขึ้นมาในวันหนึ่งเป็นโพธิปัญญาแห่งการตัดสู่บรรลุธรรมขึ้นมาเป็นหบดเรียนจากที่จริงไม่ดีนั่นแหละอย่าไปเอาวันเป็นปนัญาไปจากละไอย่าว่าหนูเบียงน่หนูเบีนน้ยงนี่คิดว่าเจิดไข้ได้ป่วยสุขภาพไม่ดีไม่เกี่ยวเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวคนแจกคนเคนท่าไม่เกี่ยวเลยผู้รู้มีทุกข โอกาสกับชีวิตเราที่มีรูปมีนามนี่ถ้าไม่มีรูปมีนามมันไม่มีผู้ลูกจึงนโบกรองบาลมาต่อโยนหลวงคงไปต่อให้ฌานต้อ ง, องมีผูน้นำพาฌานจึกษาแล้วนี่ยตัวเราเนี่นแหะเป็นตัวนตหนึ่งที่จะต้อ ง, ท, งทุ่มเทมาสืบตัวเราหลายคนจะพูดอลายวิธีกรรมตา่าง แล้วก็คือตัวเรานี่วางได้รู้ได้ไูนเรียนมาทุก อ, อ, อย่างได้ยินบ่เกิกฏเกณฑมาพระพ่อจัน